เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่3 ส, สิงหาคมพุทธศักราช2545เทศกาลเข้าพรรษาก็ผ่านมาได้ประมาณ10วันแล้วในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานั้น จะมีการถวายของพิเศษอยู่สองรายการด้วยกันก็คือถวายเทียนกับถวายผ้าอาบน้ำฝนการถวายเทียนก็เพื่อที่จะได้ถวายให้พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาในอาวาสได้มีแสงสว่างไว้ใช้ในยามค่ำคืนเพราะในสมัยโบราณการนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ จึงต้องอาศัยแสงเทียนเป็นเครื่อให้แสงสว่างจึงจึงเป็นประเพณีธรรมเนียมที่พุทธศาสนิกชนของตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาในครั้งก่อนๆได้ปฏิบัติกันมาจึงได้สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนอีกรายการหนึ่งที่ถวายกันในช่วงเข้าพรรษาก็คือผ้าอาบน้ำฝน ผ้าน้ําฝนนี้มีไว้เพื่อให้พระสงฆ์ใช้เวลาฝนตกแล้วท่านอยากจะอาบน้ําฝนท่านก็จะได้มีผ้าไว้ห่มเรื่องของการถวายอาบน้ําฝนนั้นมีความเป็นมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลคือมีนางวิสาขาผู้เป็นอุบาสิกาที่มีความศรัทธาเรื่มใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เธอเป็นผู้ที่คอยทานุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างวัดถวายให้กับพระพุทธเจ้าอยู่จำพรรษาและคอยดูแล <c oughs> ทานุบำรุงภิกษุสามนเณรด้วยด้วยปัจจัยสี่อย่างสม่าเสมออยู่มาวันหนึ่งเธอมีความปรารถนาที่จะทำน้ำปานะคือน้ำผลไม้คันไปถวายพระ ให้ได้ให้ท่านได้ฉันในตอนบ่ายจึงได้ส่งคนใช้ไปที่วัดเพื่อให้ไปดูว่ามีพระอยู่จํานวนเท่าไหร่ขณะที่นางที่คนใช้เดินทางไปที่วัดนั้นก็เกิดฝนตกใหญ่มากแรงมากช่วงนั้นพระที่อยู่ในวัดท่านก็เห็นว่ามีฝนตกท่านก็เลยอยากจะอาบน้ากัน อาบน้ำฝนกันทีนี้ในสมัยนั้นเป็นสมัยที่มีผ้าน้อยผ้าหาหาได้ยากพระท่าน <c oughs> ไม่มีผ้านุ่งห่มไว้สำหรับอาบน้ำฝนท่านถึงเปลยกายล่อนจ้อนอาบน้ำฝนในกลางลานวัดนั้นพอคนใช้เดินเข้าไปในวัดเห็นพระอาบน้าเปลยกายล่อนจ้อนก็ตกใจก็เลยกลับไป เล่าให้นางวิสาขาฟังว่าที่วัดไม่มีพระเลยมีแต่พวกชีป่วยที่นี้นางวิสาขาเธอเป็นคนที่ฉลาดมีปัญญาเธอก็ทราบถึงเหตุการณ์เมื่อมีโอกาสอันเหมาะอันควรก็เลยได้เข้าไปกราบทูลเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบและขอปรานาถวายผ้าน้ำฝน ให้กับพราภิกษุไว้ใช้สำหรับอาบน้ำฝนเวลาที่เกิดฝนตกลงมาพระพุทธองค์ทรงอนุญาตจึงมีธรรมเนียมการถวายผ้าอาบน้ำฝนตั้งแต่การนั้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เรื่องของผ้านี้พระท่านในสมัยพุทธกาลจะอยู่ด้วยความแรงแค้นเพราะ สมัยที่บุกเบิกเริ่มต้นสร้างศ า, าสนาใหม่ๆยังไม่มีผู้มีศรัทธามากมายและไม่ทราบว่าจะถวายอะไรให้กับพระท่านพระท่านจึงต้องหาผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามป่าชา้าผ้าที่ทิ้งไว้ตามกองขยะเก็บได้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็เอามาสะสมกันเมื่อได้จํานวนพอที่จะมานำ ทำเป็นผ้าหม่มผ้าจีวรก็จะมาเย็บมาปะแล้วก็มันมาตัดให้ได้รูปตามที่ต้องการแล้วจึงนำไปย้อมด้วยน้ำฝาดน้ำฝาดนี่ก็ทำมาจาก น, น้ำที่ต้มกับแก่นไม้ที่จะออกมาเป็นสีกาสาวพัดผ้าในสมัยนั้นจึง จึงมีความเป็นมาอย่างนี้ผ้านั้นหาน้อยพระจะต้องหาตามที่หาเศษผ้าตามที่เขาทิ้งไว้ในระยะเบื้องต้นนั้นก็จะมีใช้เพียงสองผืนคือผ้านุ่งที่เราเรียกว่าผ้าสมง์และผ้าห่มคือผ้าจีวรต่อมามีมีพระท่านประกาบทูลพระ เ, เจ้าว่า เวลาหน้าหนาวในผ้าห่มถืนเดียวนี้ไม่พอกันหนาวได้พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้มีผ้าพื้นที่สามขึ้นมาเรียกว่าผ้าสังคาติเป็นผ้าที่ทำเป็นสองชั้นเพื่อที่จะได้หนาพอไว้ห่มกันหนาวผ้าสังคาตินี้ญาติโยมจะเห็นพระท่านเวลาท่านประกอบพิธีกรรมท่านจะพาดไว้บนบ่าของท่าน นั่นแหละคือผ้าสังคาติญาติโยมอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมท่านถึงต้องเอาผ้าผาดไว้บนบ่าคือเนื่องจากในสมัยพุทธกาลพระท่านจะมีผ้าสามผืนคือผ้าตายจีวรผ้าสบงจีวรและผ้าสังคาติไว้ใช้ประจำตัวเป็นสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระเวลาจะไปไหนพระพุทธองค์ทรงกำหนด บัญญัติไว้ในพระวินัยให้พระสงฆ์ต้องนำผ้าทั้งสามผืนดีติดตัวไปแม้กระทั่งเวลาออกบินทบาทก็ให้ซ้อนผ้าจีวรกับสังกติไปเพราะว่าเวลาอยู่ในป่านั้นไม่มีที่เก็บที่มิดชิดถ้าเกิดทิ้งผ้าผืนใดผืนหนึ่งไว้แล้วเวลาไปบินทบาทกลับมาอาจจะไม่เจอผ้าผืนนั้นก็ได้เพราะผ้าเป็นสิ่งที่หายาก อาจจะมีขโมยมารักไปก็เป็นได้จึงได้บัญญัติให้พระท่านต้องรักษาผ้าครองคือผ้าไตาทีวรทั้งสามผืนนี้ไว้ให้อยู่ติดตัวเสมอไม่ว่าจะไปไหนก็ตามจะต้องให้ไปกับตัวเองเสมอดังนั้นเวลาท่านประกอบพิธีกรรมต่างๆเช่นมีการอุปสมบทหรือการลง อุโบสถฟังปาติโมทุกขึ่งเดือนก็จะต้องมีผ้าทั้งสามผืนนี้ติดตัวไว้อยู่เสมอนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้ญาติโยมเห็นพระท่านมีผ้าผืนที่สามผ้าอยู่ที่บาของท่านอาจจะไม่ทราบความหมายว่าทำไมจะต้องเอาผ้าผืนที่สามนั้นผ้าไว้เนื่องจากเป็นธรรมเนียมที่จะต้องรักษาผ้าครอง ส่วนผ้า อ, อื่นๆนอกเหนือจากผ้าสามผืนนี้แล้วเราเรียกว่าผ้าอดิเลกจิวอคือเป็นผ้าที่ <c oughs> เกินความจำเป็นแต่ถ้ามีศรัทธาญาติโยมมีจิตศรัทธาที่จะถวายให้พระพระก็จะรับมาใช้ได้แต่ไม่ต้องดูแลรักษาเหมือนกับผ้าครองทั้งสามผืน นี่ก็คือเรื่องราวของความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องผ้าในในสมัยพุทธกาลพระนั้นท่านอยู่สมัยพุทธกาลนั้นท่านอยู่ด้วยความลำบากยากเย็นเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่เพราะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพราะในสมัยพุทธกาลนั้นยังไม่มีความเจริญทางด้านวัตถุนั่นเองจึงไม่ค่อยมีเครื่องใช้ไม่สอยเท่าไหร่เหมือนกับในสมัยนี้สมัยนี้เรามีความเจริญทางด้านวัตถุมากจึงมีเครื่องใช้ไม่สอยมีปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์จึงทำให้เห็นว่าสภาพ ที่เป็นอยู่ในอดีตกับปัจจุบันนั้นไม่เหมือนกันเลยจึงไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีบทบัญญัติต่างๆที่จะให้พระท่านปฏิบัติตามเพราะว่าในโบราณกาลกับในสมัยปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกันนั่นเองแต่เหตุที่พระยังต้องรักษาธรรมวินัย ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพราะว่าธรรมธรรมวินัยนี้เปรียบเป็นเหมือนาศาสดาแทนพระพุทธเจ้าคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้ว <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่ได้มอบให้พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเป็นาศาสดาแทนพระพุทธองค์ท่านแต่ทรงมอบไว้กับพระธรรมวินัย ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วคือดีแล้วเหมาะสมแล้วถ้าผู้ใดยึดถือพระธรรมวินัยปฏิบัติตามธรรมวินัยแล้วจะมีแต่ความสุขและความเจริญสามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างแน่นอนนี่เป็นเหตุที่ทำให้พระภิกษุที่อยู่กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ยังคงรักษาพระ ธ, ธรรมวินัยไว้อย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่าเหตุการณ์ในอดีตกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนั้นจะแตกต่างกันไปแล้วและข้อบัญญัติบางข้อดูไปก็เหมือนกับว่าไม่จำเป็นก็ตามแต่เนื่องจากว่าเพื่อเป็นการรักษาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไว้ให้อยู่ไปยืนยาวนาน เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของพระและเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนทั่วๆ่วไปบรรดาพระเถระทั้งหลายที่ทรงที่ได้ทำสังคยาครั้งแรกสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันปริณิพานไปแล้วล้วนเป็นพระอาหารหันต์ทั้งสิ้นอยู่ห0 0รอรูปได้มีมติ ลงไปเป็นเอกฉันท์ว่าพระพุทธบัญญัติคือธรรมวินัยทุกบททุกบาทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้ทรงบัญญัติไว้จะรักษาไว้ต่อไปถึงแม้ว่าพระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวกับพระอาน์ไว้ก่อนที่จะเสด็จประลิพานไปว่าธรรมวินัยข้อใดที่เป็นข้อเล็กข้อน้อยถ้าสงเห็นว่า ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือจะต้องการยกเลิกถ้าสงมีมติเป็นเอกฉันก็สามารถที่จะทำได้ <c oughs> แต่พระนนุ์เวลาฟังจากพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไม่ได้ทูลถามว่าข้อบัญญัติที่เรียกว่าข้อเล็กข้อน้อยนั้นมีมีอะไรบ้างจึงเลยไม่ทราบว่าข้อไหนเป็นข้อที่พระพุทธองค์ทรงอนุ ญ, ญาต ให้เลิกได้ไม่ต้องปฏิบัติตามได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงมีความเห็นว่าถ้าไปเลิกข้อใดข้อหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นข้อเล็กข้อน้อยแต่พระพุทธเจ้ากลับเห็นว่าเป็นข้อใหญ่ข้อสาคัญถ้าไปเลิกเสียก็จะไม่ดีดังนั้นจึงมีมติว่าจะรักษาพระวินยัยทุกข้อ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เพราะเหตุคือขณะที่พระพุทธเจ้าอยู่กันพระภิกษุสามนเณรก็สามารถรักษาวินัยทุกบททุกบาทที่พระเจ้าทรงรักษาไว้ได้จึงเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่พระภิกษุสามนเณรที่จะมาบวชต่อไปในภายภาคหน้าจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ และอีกข้อหนึ่งเพื่อเป็นการคันคอรหาของผู้ที่นับถือลทัทธิอื่นจะตำหนิตีเตียนพระภิกษุสา ม, มนเณรในของพระพุทธศาสนาเราได้ว่าพอาศาสดาตายไปไม่กี่วันข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่าศาสดาได้กำหนดไว้ได้วางไว้ก็เริ่มเสื่อมไปแล้วนี่เองจึงเป็นเหตุที่ทำให้มีการ ลงมติที่จะรักษาพระธรรมวินัยไว้ทุกข้อไปและได้มีการกระทามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้จ <c oughs> ึงเป็นเหตุที่มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะทำกันได้อย่างเช่นการที่จะบวชสุภาพสตรีหรือผู้หญิงให้เป็นภิกษุณีนั้นใน สายของเทรวาสเราคือสายที่ได้รับสืบทอดมาจากประเทศอินเดียมีพระอรหันต์ได้มาจาริกมาเผยแผ่าศาสนาถึงประเทศไทยในอนดีตในสมัยก็ได้นำพระวินัยธรรมวินัยที่พูะเจ้าและได้ได้บัญญัติไว้และพระอรหันต์ห้ารอรูปได้มีการลงมติรับรอง จะรักษาไปตลอดมีข้ออยู่ข้อหนึ่งที่ถ้าเวลาจะบวชภิกษุณีนั้นจะต้องมีสงทั้งสองฝ่ายคือต้องมีภิกษุสงฆ์คือพระที่เป็นผู้ชายและจะต้องมีภิกษุณีสงฆ์คือพระที่เป็นผู้หญิงบวชทั้งสองสงเสียก่อนถึงจะถือว่าการบวชภิกษุณีนั้นถูกต้องตามหลักธรรมวินัย แต่ภิกษุณีนั้นมีอายุอยู่ประมาณพันกว่าปีก็หมดไปคือไม่มีผู้หญิงสนใจที่จะบวชเป็นภิกษุณีอีกต่อไปดังนั้นภิกษุณีสงจึงได้หมดไปและหลังจากนั้นแล้วถ้าผู้หญิงหรือสุภาพสตรีคนหนึ่งคนใดมีจิตศรัทธาที่อยากจะบวชเป็นภิกษุณี ก็จะไม่สามารถบวชเป็นภิกษุภิกษุณีได้แล้วเพราะไม่มีภิกษุณีสงฆ์ที่จะทําการบวชให้ดังนั้นในประเทศไทยจึงไม่มีการบวชภิกษุณีมาตั้งแต่สมัยมีการก่อตั้งศาสนามาเลยทีเดียวจึงต้องทําความเข้าใจให้ทราบว่าทําไมจึงบวชภิกษุณีไม่ได้เพราะถ้าไปบวชแล้ว เท่ากับการไปขัดหลักธรรมหลักวินัยขัดหลักที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าไม่ควรที่จะไปบัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้และไม่ควรยกเลิกในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไปแล้วถ้าถ้าพุทธสาชนิกชนคือพุทธบริ ษ, ษัทสี่ปรารถนาความเจริญ ในชีวิตของการเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติก็จะต้องดําเนินตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั่นเองเท่านั้นถึงจะหวังความสุขความจเจริญได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเกิดมีปัญหาขึ้นมาต่างๆนาน า, นาซึ่งเคยปรากฏขึ้นแล้วตั้งแต่สมัยหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรง สเสด็จดับขันกรณีผ่านไปก็จะมีกลุ่มภิกษุบางกลุ่มเกิดมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากพระธรมวีัยบ้างก็ว่าเป็นสิ่งที่ยากเย็นต่อการปฏิบัติบ้างก็ว่าไม่จําเป็นสําหรับเวลานั้นแล้วก็เลยไม่ยอมปฏิบัติตามจึงเกิดก่อยความ <c oughs> เกิดความย่อหย่อนในการประพฤติปฏิบัติ ทำให้พระที่ท่านปฏิบัติด้วยความเพ่งคข้มก็เกิดมีความรังเกียจกันเลยทำให้อยู่ด้วยกันร่วมกันไม่ได้เพราะมีศีลไม่เท่ากันเสียแล้วคนหนึ่งรักษา227แต่อีกคนหนึ่งรักษาไม่ครบ227ข้อก็เลยทาให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้จึงเกิดมีการแตกออกไปเป็นนิกายต่างๆขึ้นมาแลวส่วนใหญ่ พวกที่แตกออกไปนั้นก็จะอยู่ได้ไม่นานก็จะสูญสลายไปนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของของพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้พระภิกษุสงฆ์นั้นปฏิบัติในทางในประเทศไทยของเรานั้นก็ยังมีการปฏิบัติตามธรรมตามวินัย ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้อยู่จึงมีภิกษุสงฆ์อยู่กันมาจนถึงปัจจุบันนี้และจะอยู่ไปได้อีกตลอดอายุไขของพระศาสนาคือห้า5 0 0 0ันปีถ้าพุทธบริษัทมีความเคารพมีความศรัทธามีความเชื่อ ท, ที่จะปฏิบัติตาม ตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรามาเปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยแล้วก็ต่อไปศาสนาก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เพราะโดยปกติแล้วใจของพุทุชนอย่างเราอย่างท่านนั้นล้วนมีกิเลสตัณหาซึ่งไม่ชอบจะปฏิบัติตามธรรมวินัยเพราะธรรมวินัยนี้มีไว้เพื่อปราบกิเลสตัณหานั่นเอง มีไว้เพื่อกำจัดมีไว้เพื่อชำระกิเลสตัณหาดังนั้นกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของพวกเราของปุถุชนนั้นจึงมีความรู้สึกอึดอัดใจเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียกกิเลสนั้นชอบทำอะไรตามอำเภอใจตามอารมณ์นึกอยากจะกินก็กินนึกอยากจะนอนก็นอนนึกอยากจะทาอะไรก็ทา โดยไม่คำนึงถึงว่าการกระทานั้นๆจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือไม่อย่างไรซึ่งก็เปรียบคล้ายๆกับเดรัจฉานนั่นเองเดรัจฉานนี้ไม่ถือว่าเป็นมนุษย์มนุษย์นี่เป็นมนุษย์ได้เพราะมีศีลมีธรรม ม, มีมีระเบียบมีวินัยผู้ใดก็ตามถึงแม้จะมีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่ถ้าจิตใจขาดศีลขาดธรรมขาดวินัย ก็ไม่ต่างกับเดรัชานอย่างไรนึกอยากจะทำอะไรก็ทาตามอาเภอใจจะสร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นสักเท่าไหร่ก็จะไม่สนใจดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจว่าถึงแม้เราจะเกิดมามีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบถ้าเราต้องการจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ เราจะต้องมีศีลห้าเป็นอย่างน้อยและปฏิบัติตามกฎตามระเบียบที่ดีที่งามเพราะว่าถ้าไม่มีศีลห้าแล้วจิตของเราก็จะตกลงไปสู่ที่ต่ำคือจะเป็นจิตของเดรัจฉานจิตของเปรตของอสูรกายและของสัตว์นรก <c oughs> ถ้าเราต้องการที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเรารักษาความเป็นผู้ประเสริฐเป็นคนดี เ ร, เราจะต้องรักษาศีลทั้งห้าข้อไว้ให้ดีคือจะต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปลดมดเท็และละเว้นจากการเสพสุรายาเมาถ้าเรารักษาศีลทั้งห้าข้อเหล่านี้ได้แล้วเชื่อได้ว่าเราถือได้ว่าเราเป็นมนุษย์ สมบูรณ์คือเป็นมนุษย์ทั้งกายและเป็นมนุษย์ทั้งใจและเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้จะแตกดับจะสลายไปใจก็ยังรักษาความเป็นมนุษย์ได้อยู่ใจที่รักษาความเป็นมนุษย์นี้ได้อยู่ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั่นเองแต่ถ้าใจไม่สามารถรักษาความเป็นมนุษย์ได้ก็จะต้องไปเกิดในอบายภูมิใดภูมิหนึ่งขึ้นอยู่กับ สิ่งที่เราทำให้เสียไปขาดไปนั้นมีมากน้อยแค่ไหนนั่นเอง <c oughs> ดังนั้นจึงขอให้พวกเราทั้งหลายจงเชื่อเวรเชื่อกรรมนี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ที่สองเกี่ยวกับเรื่องเวรเรื่องกรรมนั้นคือการกระทําของเราในปัจจุบันนี้และในอดีตที่ผ่านมา เมื่อทําไปแล้วก็จะมีผลคือวิบาบตามมาผลจะดีจะชั่วจะสุขจะเจริญหรือจะทุกข์หรือจะเสื่อมจะเกิดในสุขคติหรือจะเกิดในอบายภูมิในอบายก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทํากันไว้ทั้งในปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านมาเพราะกรรมที่ทําในอดีตนั้นอาจจะยังไม่ มีโอกาสได้ส่งผลยังไม่สุกงอมพอแต่เมื่อถึงเวลาถึงการของเขาการกรรมที่เราได้ทำไวในอดีตและในปัจจุบันก็จะส่งผลและผลก็จะเป็นไปดังที่ได้แสดงไว้ขึ้นอยู่กับว่าเราทำดีหรือทำชั่วถ้าเราทำดีนักษาศีล น, นักษาธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นคอยมีมีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเมตตากรุณามีจิตที่สงบระ ง, งับดับกิเลสและตัณหาอยู่เสมอเสมอไม่ปล่อยให้ใจถูกอำนาจของกิเลสตัณหาครอบงําพาไปจิตก็จะเป็นจิตที่ดีเมื่อตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติคือจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือไม่เช่นนั้นก็จะได้เป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเป็นพระอริยบุคคล อย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายท่านเหล่านี้นั้นล้วนทำแต่สิ่งที่ดีที่งามทั้งสิ้นท่านมีความเชื่อในกรรมท่านรู้ท่านเห็นว่าทำดีย่อมได้ดีทำเชื่อย่อมได้เชื่อนี่เป็นหลักตายตัวจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธหลักกรรมสัจธรรมความจริงอันนี้ได้ เป็นเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดทำกรรมอันใดไว้แล้วไม่ว่าจะดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทในเรื่องกรรมเป็นอันขาดเราควรที่จะเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราเชื่อบิดามารดาของเราบิดามารดาของเรานั้นสอนเรา ด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาด้วยความปรารถนาดีต้องการให้เรานั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฉันใดพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับเป็นบิดามารดาของพวกเราพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเรากระทําความดีและไม่ให้กระทําความชั่วให้ละกิเลสทั้งหลายคือความโลภความโกรธความหลง ให้ออกไปจากจิตจากใจเพราะการกระทําเหล่านี้จะนํามาซึ่งความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วได้เห็นผลมาแล้วอย่างประจักษ์ไม่สงสัยเลยจึงได้นํามาประกาศสอนให้กับพวกเราทั้งหลายผู้ใดที่มีความศรัทธามีความเชื่อแล้วผู้นั้นย่อมจะได้รับประโยชน์โดยถ่ายเดียว จะไม่มีโทษตามมาเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเห็นถึงอดีตชาติที่ผ่านมาหรืออนาคตชาติที่จะตามมาก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดในปัจจุบันเราก็เห็นกันแล้วว่าคนที่ทำดีมีศีลมีธรรมนั้นย่อมอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่มีทุกข์ไม่มีภัยไม่มีความเสื่องเสียตามมา อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้เรามองปัจจุบันชาตินี้และเชื่อในการกระทำความดีถึงแม้ว่าการกระทำความดีของเราจะไม่ทำให้เราร่ำรวยอย่างรวดเร็วหรือจเจริญทางด้านยศถาบรรดาศัก์อย่างรวดเร็วแต่ขอให้ทำความเข้าใจว่าความร่ำรวยก็ดียศถาบรรดาศั ก, กดีนั้นไม่ใช่เป็นสาระ